ประพฤต์ถือสิ่งเศร้ามองบรรดาพรหมจันทร์มีองค์สีนั้นพรหมจันทร์ในการประพฤต์ถือสิ่งเศร้ามองของเราดังนี้คือมณทินคือธุลีที่หมักหมุมอยู่ในกายของเรานับหลายปีจนเป็นสเก็ตต่อตะโกที่ตั้งอยู่นับหลายปีมีเปลือกแตกแยกจนเป็นสเก็ตแม้ฉันใดมณทินคือธุลีที่หมักหมุมอยู่ในกายของเรานับหลายปีจนเกิดเป็นสเก็ตก็ชั้นนั้นเหมือนกัน เรานั้นไม่ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าอย่างไรเราควรปัดลองธุลีนี้ด้วยฝ่ามือหรือคนเหล่าอื่นพึงปัดลองธุลีนี้ของเราด้วยฝ่ามือความคิดแม้อย่างนี้ไม่ได้มีแก่เรานี้เป็นพรหมจันทร์ในการประพฤติถือสิ่งเศร้าหมองของเรา การประพฤติรังเกยียจบรรดาพรหมจันท ร, ร์มีองศีนั้นพรหมจันท ร, ร์ในการประพฤติรังเกยียจของเราดังนี้คือเรานั้นมีสติก้าวไปข้างหน้ามีสติถอยกลับความเอนดูของเราปรากฏแม้กระทั่งในหยดน้าว่าเราอย่าได้ล้างพลาสัตว์เล็กๆที่อยู่ในที่ต่างๆเลยนี้เป็นพรหมจันท ร, ร์ในการประพฤติรังเกยียจของเรา ความประพฤติเป็นผู้สังกัดบรรดาพรหมจันท ร, ร์มีองคศีนั้นพรหมจันท ร, ร์ในการประพฤติสงัดของเราดังนี้คือเรานั้นอาศัยชายป่าแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อใดเราได้พบคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงปศุสัตว์คนหาบหญ้าคนหาฝืนหรือคนทํางานในป่าเมื่อนั้นเราเดินหนีจากป่าหนึ่งไปยังป่าอีกแห่งหนึ่งจากป่าทึบแห่งหนึ่งไปยังป่าทึบอีกแห่งหนึ่ง จากรุ่มแห่งหนึ่งไปยังที่รุ่มอีกแห่งหนึ่งจากที่ดอนแห่งหนึ่งไปยังที่ดอนอีกแห่งหนึ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราคิดว่าคนเหล่านั้นอย่าได้พบเราและเราก็อย่าได้พบคนเหล่านั้นเลยสัตว์ป่าเห็นพวกมนุษย์แล้วก็เตลิดหนีจากป่าแห่งหนึ่งไปยังป่าอีกแห่งหนึ่งจากป่าทึบแห่งหนึ่งไปยังป่าทึบอีกแห่งหนึ่งจากที่ลุ่มแห่งหนึ่งไปยังที่ลุ่มอีกแห่งหนึ่ง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 จากที่ดอนแห่งหนึ่งไปยังที่ดอนอีกแห่งหนึ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราคิดว่าคนเหล่านั้นอย่าได้พบเราเลยและเราก็อย่าได้พบคนเหล่านั้นเลยนี้เป็นพรหมจรรย์ในการประพฤติเป็นผู้สังนัดของเราเรานั้นคลานเข้าไปในคอกที่ฝูงโคออกไปแล้วไม่มีคนเลี้ยงโคอยู่กินมูลโคของลูกโคตัวอ่อนที่ยังดื่มนมและกินปัสสาวะอุจจาระของตนเองนั่นแล ตลอดเวลาที่ปั ส, สวะและอุจระยังไม่สิ้นไปนี้เป็นพรหมจันท ร, ร์ในโภชนะมหาวิกฤตของเราเรานั้นเข้าอาศัยแนวป่าน่ากลัวแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ที่ว่าน่ากลัวนั้นเพราะเป็นแนวป่าที่น่าสะพริงกลัวผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งยังมีราคะเข้าไปยังแนวป่านั้นโดยมากย่อมขนพองสยองกล่าวเรานั้นอยู่ที่กลางแจ้งตลอดทั้งคืน ในราตรีที่หนาวเหน็บซึ่งอยู่ระหว่างเดือนสามต่อเดือนสี่เป็นช่วงเวลาที่หิมะตกเห็นปานนั้นแต่อยู่ในแนวป่าในเวลากลางวันในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนเราอยู่ในที่แจ้งในเวลากลางวันแต่อยู่ในแนวป่าในเวลากลางคืนคาถาหน้าอัศจรรย์นี้เราไม่เคยได้ยินมาก่อนปรากฏแกเราว่ามุนีผู้เสาะสแสวงหาความหมดจดอาบแดดอาบน้ําค้าง เปลือยกายทั้งมีได้ผิงไฟอยู่คนเดียวในป่าที่น่ากลัวเรานอนแอบอิงกระดูกผีในป่าช้าพวกเด็กเลี้ยงโคเข้าใกล้เราแล้วถมน้ำลายรดบ้างถ่ายปัสสาวะรดบ้างโปรโยฝุ่นลงบ้างเอาไม้ย้อนที่ช่องหูบ้างแต่เราไม่รู้สึกเลยว่ามีอกุสนลจิตเกิดขึ้นในเด็กเหล่านั้นนี้เป็นพรหมจรรย์ในการอยู่ด้วยอุเบกขาของเรา ที่ที่ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะอาหารมีสมณพราหม์พวกหนึ่งผู้มีวาท่าอย่างนี้มีทิฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะอาหารพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยผลพุทษาพวกเขาเขกินพุชตาผลหนึ่งบ้างพุทษาป่นบ้างดื่มน้าผลพุทตาบ้างบริโภคผลพุชตาที่แปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆบ้างแต่เราก็รู้ตัวว่า กินผลพุทราผลเดียวเท่านั้นเป็นอาหารเธอคงจะคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นผลพุทราคงจะใหญ่เป็นแน่แต่เธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นแม้ในกาลนั้นผลพุทราก็มีขนาดเท่านนในบัตรนี้เมื่อเรากินพุทราผลเดียวเท่านั้นเป็นอาหารร่างกายก็สู้ผอมเป็นอย่างมากอา ว, วัยวะน้อยใหญ่ของเราเปรียบเหมือนเถาวันที่มีข้อมากหรือมีข้อดำเพราะมีอาหารน้อยนั่นเอง ตาโพกของเราเปรียบเหมือนรอยเท้าอูดกระดูกสันหลังขึ้นเป็นปุ่มๆเหมือนเทาสะบ้ากระดูกซี่โครงเหลื่อมขึ้นเหลื่อมลงเหมือนกรอนสาลาเก่าเหลื่อมกันฉะนั้นดวงตากลวงลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนเงาดวงดาวปรากฏในบ่อน้ําที่ลึกฉะนั้นหนังศีรษะซึ่งถูกลมพัดแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเปรียบเหมือนผลน้ําเต้าขมที่ถูกตัดแต่ยังอ่อน ถูกลมและแดดแล้วย่อมเหี่วแห้งไปฉะนั้นเพราะเรามีอาหารน้อยนั่นเองเรานั้นคิดว่าจากรูปหนังท้องแต่คลำถูกกระดูกสันหลังคิดว่าจากรูปกระดูกสันหลังแต่คลำถูกหนังท้องหนังท้องของเราติด ก, กระดูกสันหลังเรานั้นคิดว่าจะทายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนเซลม้มลงณที่นั้นนั่นเองเราเมื่อจะทาร่างกายให้สบาย ก็รูปตัวด้วยฝ่ามือเมื่อเรารูปตัวด้วยฝ่ามือขนทั้งหลายซึ่งมีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกายเพราะเรามีอาหารน้อยนั่นเองสารีบุตรมีสมณพราหม์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะอาหารพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยเมล็ดถั่วเขียวและถึง พวกเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยเมล็ดงาพวกเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยข้าวสารพวกเขาเคี้ยวกินข้าวสารบ้างปลายข้าวบ้างดื่มน้ําข้าวบ้างบริโภคข้าวสารที่แปรรูปเป็นชนิดต่างๆบ้างแต่เรารู้ตัวว่ากินข้าวสารเมล็ดเดียวเท่านั้นเป็นอาหารเธอคงจะคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นเมล็ดข้าวสารคงจะใหญ่เป็นแน่แต่เธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น แม้ในการนั้นเมล็ดข้าวสารก็มีขนาดเท่าในบัดนี้เมื่อเรากินข้าวสารเมล็ดเดียวเท่านั้นเป็นอาหารร่างกายก็สู้พร้อมเป็นอย่างยิ่งอวัยวะน้อยใหญ่ของเราเปรียบเหมือนเท้าวันที่มีข้อมากและมีข้อดำเพราะเรามีอาหารน้อยนั่นเองต่โพืของเราเปรียบเหมือนรอยเท้าอูดกระดูกสันหลังขึ้นเป็นปุ่มๆเหมือนเท้าสบ้ากระดูกซี่โครงเลื่อมขึ้นเลื่อมลง เหมือนกรอนสาลาเก่าเหลื่อมกันฉะนั้นดวงตากลวงลึกเข้าไปในเบ้าตาละถึงเปรียบเหมือนน้ำเต้าขมเรานั้นคิดว่าจากรูปหนังท้องจากทายอุจระหรือปั ส, สวะเราเมื่อจะทําร่างกายให้สบายก็รูปตัวด้วยฝ่ามือเมื่อเรารูปตัวด้วยฝ่ามือขนทั้งหลายซึ่งมีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกายเพราะเรามีอาหารน้อยนั่นเอง เราไม่ได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์แม้ด้วยการปฏิบัติอันประเสริฐนั้นด้วยปฏิปทานนั้นและด้วยการทรมานตนที่ทําได้ยากนั้นเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุยังไม่ได้บรรลุปัญญาอันประเสริฐนี้ซึ่งเราบรรลุแล้วเป็นเครื่องนําออกคือนําสัตว์ออกไปจากทุกข์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบสําหรับบุคคลผู้ปฏิบัติตามธรรมนั้น ลัทธิที่ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะสังสารวัตรเป็นต้นสารีบุตรมีสมณพราหมูพวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะสังสารวัตรการเวียนว่ายตายเกิดสังสารวัตที่เราไม่เคยท่องเที่ยวไปโดยการช้านานนี้เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายนอกจากเทวโลกชั้นสุดทาวาสหากเราพึงท่องเที่ยวไปในเทวโลกชั้นสุดทาวาส เราก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้อีกมีสมณพราหมูพวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะความเกิดความเกิดที่เราไม่เคยประสบโดยการชา้านานนี้เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายนอกจากเทวโลกชั้นสุดทาวาสหากเราพึงเกิดในเทวโลกชั้นสุดทาวาสเราก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้อีก มีสมณพราหม์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะอาวาสที่ที่เราไม่เคยอยู่อาศัยแล้วโดยการช้านานนี้เป็นของหาได้ไม่ง่ายนอกจากเทวโลกชั้นสุดทาวาสหากเราพึงอยู่ในเทวโลกชั้นสุดทาวาสเราก็จะไม่พึงมาสู่โลกนี้อีกมีสมณพราหม์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า ความบริสุทธิ์มีได้เพราะการบูชายันยันที่เราผู้เป็นขติยราชซึ่งได้รับมูรธาพิเศษแล้วหรือเป็นพรามณ์มหาศาลไม่เคยบูชาแล้วโดวยการชานานนี้เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายมีสมณ์พรามผู้หนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะการบำเรอไฟไฟที่เราผู้เป็นขติยราชซึ่งได้รับมูรทาพิเศษแล้ว หรือเป็นพรามณนมหาศาลไม่เคยบำเรอแล้วโดยการช้านานนี้เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายสัตว์ผู้ไม่ลุ่มหลงมีสมณะพรามพวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า บุรุษหนุ่มผู้เจริญนี้มีเกษาดำสนิทมีวัยหนุ่มแน่นเหมาะกับปฐมวัยมีปัญญาเฉลีวฉลาดอย่างยิ่งต่อมาบุรุษหนุ่มผู้เจริญนี้ก็ชราแก่เท่าล่วงการผ่านไวัยไปโดยลำดับคือมีอายุแปดสิปีบ้างเกสิปีบ้างร้อยปีบ้างหลังจากนั้นเขาเสื่อมจากปัญญาความเฉลียวฉลาดนั้นข้อนี้เธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ก็บัดนี้เราชราแก่เท่าล่วงการผ่านไวัยไปโดยลำดับเรามีอายุ80ปีสาวุบริษัทสี่ของเราในธรรมวินนยนี้มีอายุร้อยปีเป็นอยู่ได้ร้อยปีมีสติมีคติมีทิติอันยอดเยี่ยมและมีปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งนักแม่นทนูได้รับการฝึกหัดช่ำชองชำนิชำนานเคยแสดงฝีมือมาแล้ว พึงยิงงวงตาลทางด้านขวางให้ตกลงได้โดยไม่ยากด้วยลูกศรขนาดเบาแม้ฉันใดสาวกบริษัทสี่ของเราก็ฉันนั้นเหมือนกันมีสติมีคติมีทิฏฐิอันยอดเยี่ยมอย่างนี้มีปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งเธอทั้งหลายพึงถามปัญหาอิงสติปทานสี่กับเราเราถูกถามแล้วจะพึงตอบแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทรงจำคำที่เราตอบแล้วโดยแจมแจ้งเธอทั้งหลายไม่ควรถามเราเกินกว่าสองครั้งนอกจากเรื่องการกินก า, การเดิมการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะการหลับและการบรรเทาความเมื่อยลา้าธรรมบรรยายของตถาคตนั้นไม่มีจบสิน้นบทและพยัญชนะของตถาคตนั้นไม่มีจบสิน้นความแจมแจ้งแห่งปัญหาของตถาคตนั้นไม่มีจบสิน้น เมื่อเป็นเช่นนั้นสาวุกบริษัทของเรานั้นมีอายุร้อยปีเป็นอยู่ได้ร้อยปีเมื่อล่วงร้อยปีไปก็จะพึงตายแม้ถ้าเธอทั้งหลายจะหามเราด้วยเตียงเล็กปัญญาความฉเหลวฉลาดของตถาคตย่อมไม่เป็นอย่างอื่นไปได้บุคคลเมื่อจะกล่าวโดยถูกต้องจะพึงกล่าวคำนั้นกับเราเท่านั้นว่าสัตว์ผู้มีความไม่ลุ่มหลงเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วในโลก เพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคำนิคมในสมัยนั้นท่านพระ นาคาสมาลมยืนถวายงานพัดอยู่เบื้องพระปริศดางของพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นท่านพระนาคาสมาลมเรีกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเพราะได้ฟังธรรมบัญญัตินี้ข้าพระองค์จึงเกิดขนลุกชูชันขึ้นแล้วธรรมบรร ญ, ญายนี้ชื่ออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่านาคาสมาละ เพราะเหตุนั้นเธอจงจำไว้ว่าธรรมบรรยายนี้ชื่อว่าโลมะหังสนบรรยายพระผู้มีพระภาคได้ตรัพยาสิทธิ์นี้แล้วท่านพระนาคสมาลมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาสีหนาทสูตรที่สองจบ มหาทุกขคันทสูตรว่าด้วยกองทุกข์สูตรใหญ่ปัญหาของปริภาชกข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถ บ, บินิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอันตรวาสศกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี เวลานั้นภิกษุเหล่านั้นได้มีความคิดว่ายังเช้าอยู่ที่จะเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีทางที่ดีพวกเราเข้าไปยังอารามของอัญญะเดรถิปริพาชกันเถิดแล้วพากันเข้าไปยังอารามของอัญญะเดรถิปริพาชกแล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควร อัญญาเดรธีปริพาโชกเหล่านั้นได้กล่าวกับหมู่ภิกษุนั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณโคโดมบัญญัติการละกามทั้งหลายแม้พวกเราก็บัญญัติการละกามทั้งหลายพระสมณโคโดมบัญญัติการละรูปทั้งหลายแม้พวกเราก็บัญญัติการละรูปทั้งหลายพระสมณโคดมบัญญัติการละเวทนาทั้งหลายแม้พวกเราก็บัญญัติการละเวทนาทั้งหลาย ในข้อนี้มีความแปลกกันอย่างไรมีความมุ่งหมายอย่างไรและมีการกระทําต่างกันอย่างไรระหว่างการแสดงธรรมหรือการพร่สอนของพระสมณโคดมกับการแสดงธรรมหรือการพร่สอนของพวกเราภิกษุเหล่านั้นไม่ยินดีไม่คัดค้านคำที่อัญญะเดรธีปริพาชคเหล่านั้นกล่าวแล้วครั้นไม่ยินดีไม่คัดค้านแล้วจึงลุกจากที่นั่งจากไปด้วยตั้งใจว่า เราทั้งหลายจะทราบเนื้อความแห่งคํากล่าวนี้ในสํานักของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันพัฒหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเช้า ว, วันนี้ ข้าพระองค์ทั้งหลายครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังกรุงสาวัตถีข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีความคิดว่ายังเช้าอยู่ที่จะเที่ยวไปบิณทบาทในกรุงสาวัตถีทางที่ดีพวกเราเข้าไปยังอารามของอัญญะเดรถีปริพาชกกันเถิดจึงพากันเข้าไปยังอารามของอัญญะเดรถีปริพาชกแล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว จึงนั่งณที่สมควรอัญญาเดรถีปริภาโชคเหล่านั้นเรียกล่าวกับข้าพระองค์ทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณโคดมบัญญัติการละกามทั้งหลายแม้พวกเราก็บัญญัติการละกามทั้งหลายพระสมณโคดมบัญญัติการละรูปทั้งหลายแม้พวกเราก็บัญญัติการละรูปทั้งหลายพระสมณโคดมบัญญัติการละเวทนาทั้งหลาย แม้พวกเราก็บัญญัติการละเวทนาทั้งหลายในข้อนี้มีความแปลกกันอย่างไรมีความมุ่งหมายอย่างไรและมีการกระทำต่างกันอย่างไรระหว่างการแสดงธรรมหรือการพร่สอนของพระสมณะโคดมกับการแสดงธรรมหรือการพร่สอนของพวกเราข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ยินดีไม่คัดค้านคำที่อัญญาเดรธิปริภาชกเหล่านั้นกล่าวแล้วครั้นไม่ยินดีไม่คัดค้านแล้ว จึงลุกจากที่นั่งจากไปด้วยตั้งใจว่าเราทั้งหลายจากทราบเนื้อความแห่งคำกล่าวนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคคุณโทษและการสลัดออกไปจากกรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่า พิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงกล่าวต่อพวกอัญญะเดรถีปริภาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นอย่างนี้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการสลัดออกไปจากการมทั้งหลายอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการสลัดออกไปจากรูปทั้งหลายอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการสลัดออกไปจากเวทนาทั้งหลายพวกอัญญาเดรถีปริภาชก ถูกเธอทั้งหลายถามอย่างนั้นแล้วจักไม่พอใจและจักต้องถึงความขับแค้นอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะข้อนั้นมิใช่วิสัยภิกษุทั้งหลายก็ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เมื่อเว้นตถาคตสาวะของตถาคตหรือบุคคลฟังคาสั่งสอนของเราตถาคตเสียแล้ว เรายังไม่เห็นผู้ที่จะพึงทาจิตให้ยินดีต่อปัญหานี้ได้ภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นคุณแห่งกรมทั้งหลายคือกามคุณห้าประการนี้กามาคุณห้าประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัก 2. เสียงที่จะพึงรู้แจ้งทางหูส กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งทางจมูก4รถที่จะพึงรู้แจ้งทางลิ้น5โพธัพพะที่จะพึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กําหนัดกามคุณมีห้าประการนี้แลการที่สุขสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณ5ประการนี้ชื่อว่าเป็นคุณแห่งกามทั้งหลาย ภิษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นโทษแห่งการมทั้งหลายคือกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยการมีศิลปะใดคือด้วยการนับคะแนนการคำนวณการนับจำนวนการไถการค้าขายการเลี้ยงโคการยิงธนูการรับราชการหรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งอดทนต่อความหนาวตรากตรำต่อความร้อนเดือดร้อนเพราะสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลาน และตายเพราะความหิวกระหายแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกรมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่จะพึงเห็นได้เองมีการมเป็นเหตุมีการมเป็นต้นเหตุมีกรรมเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแลถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันภาคเพียนพยายามอยู่อย่างนี้โภคสมบัติเหล่านั้นย่อมไม่สำเรธิผลเขาเศร้าโศกลำบากลาพันตีอกคร่ำครวญ ถึงความหลงเพอ้อว่าความขยันของเราเป็นโมฆะนอความพยายามของเราก็ไม่มีผลเลยหนอแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่จะพึงเห็นได้เองมีกลามเป็นเหตุมีกลามเป็นต้นเหตุมีกลามเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแหละถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันภาคเพียนพยายามอยู่อย่างนี้พวสมบัตเหล่านั้นย่อมสำริธิผล เขากลับเสวยทุกโทมนัสอันมีเหตุมาจากการรักษาโภคสมบัติเหล่านั้นว่าทำอย่างไรพระราชาจะไม่พึงริบโภกสมบัติทั้งหลายของเราพวกโจรจะไม่พึงลักไปไฟจะไม่พึงไหม้น้ําจะไม่พึงพัดไปหรือทายาทผู้ไม่เป็นที่รักจะไม่พึงแย่งไปเมื่อกุลบุตรนั้นรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้พระราชาริบโภกสมบัตินั้นไปก็ดี พวกโจรปล้นเอาไปก็ดีไฟไม่เสียก็ดีน้ำพัดไปก็ดีทายาทผู้ไม่เป็นที่รักแย่งเอาไปก็ดีเขาเศร้าโศกลำบากลำพันธ์ตีอกคร่าครวญถึงความหลงเพอว่าสิ่งใดเคยเป็นของเราแม้สิ่งนั้นก็ไม่เป็นของเราภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกรรมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่จะพึงเห็นได้เองมีการเป็นเหตุ มีการเป็นต้นเหตุมีการเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั่นแลอีกประการหนึ่งเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นต้นเหตุเพราะการเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั่นแลพระราชาทรงวิวาทกับพระราชาก็ได้กระสัตว์วิวาทกับกระสัตว์ก็ได้พราหมวิวาสกับพรามก็ได้ขาหาบดีวิวาทกับขาหาบดีก็ได้ มารดาวิวาสกับบุตรก็ได้บุตรวิวาสกับมารดาก็ได well ้บิดาวิวาสกับบุตรก็ได้บุตรวิวาสกับมารดาก็ได้พี่ชายน้องชายวิวาสกับพี่ชายน้องชายก็ได้พี่ชายน้องชายวิวาสกับพี่สาวน้องสาวก็ได้พี่สาวน้องสาววิวาสกับพี่ชายน้องชายก็ได้สายวิวาสกับสายก็ได้ชนเหล่านั้นก่อการทะเลาะก่อการแก่งแย่ง และก่อการวิวาดกันในที่นั้นทำร้ายกันและกันด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยศัตราบ้างชนเหล่านั้นจึงเข้าถึงความตายบ้างทุกปางตายบ้างแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกรรมทั้งหลายเป็นกองทุกที่จะพึงเห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเหตุมีการเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกรมทั้งหลายนั่นแล อีกประการหนึ่งเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นต้นเหตุเพราะการเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายชนทั้งหลายถือดาบและโล่จับธนูพาดลูกศรแล้ววิ่งเข้าสู่สงครามปะทะกันทั้งสองฝ่ายเมื่อพวกเขายิงลูกศรไปบ้างพุ่งห อ, อกไปบ้างกวัดแกงดาบฟันกันบ้างชนเหล่านั้นถูกลูกศรเสียบเอาบ้างถูกห อ, อกแทงเอาบ้าง ถูกดาบตัดศรีรษะบ้างชนเหล่านั้นจึงเข้าถึงความตายบ้างทุกปางตายบ้างแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกรมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่จะพึงเห็นได้เองมีกลามเป็นเหตุมีการมเป็นต้นเหตุมีการมเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งการมทั้งหลายนั่นแลอีกประการหนึ่งเพราะการมเป็นเหตุเพราะการมเป็นต้นเหตุเพราะการมเป็นเหตุเกิด เพราะเหตุแห่งการมทั้งหลายชนทั้งหลายถือดาบและโล่จับธนูพาดลูกศรแล้ววิ่งเข้าไปยังเชิงกำแพงที่ฉาบด้วยเปลือกต้มร้อนเมื่อพวกเขายิงลูกศรไปบ้างพุ่งหอกไปบ้างขวัดแกว่งดาบฟันกันบ้างชนเหล่านั้นถูกลูกศรเสียบเอาบ้างถูกหอกแทงเอาบ้างถูกมุลโค ร, ร้อนรดบ้างถูกคราดสาบบ้างถูกดาบตัดศรีรษะบ้าง ชนเหล่านั้นจึงเข้าถึงความตายบ้างทุกปางตายบ้างภิกษุทั้งหลายแม่ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งการมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่จะพึงเห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเหตุมีการเป็นเห ต, เเห ต, เเหตุเกิด เ, เกิดเพราะเหตุแห่งการมทั้งหลายนั่นแลอีกประการหนึ่งเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นต้นเหตุเพราะการเป็นเหตุเกเิด เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายชนทั้งหลายตัดช่องย่องเบาบ้างขโมยยกเขาบ้างปล้นบ้านบ้างดักจี้ในทางเปลี่ยวบ้างและเมื่อพัญญาผู้อื่นบ้างพระราชาก็รับสั่งให้จับเขาลงอาญาด้วยประการต่างๆคือเขี่ยด้วยแสบบ้างเขี่ยด้วยหวายบ้างตีด้วยไม้พลองบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดใบหูบ้าง ตัดจมูกบ้างตัดทั้งใบหูและจมูกบ้างวางก้อนเหล็กแดงบนศรีรษะบ้างถลกหนังศรีรษะแล้วคัดให้ขาวเหมือนสางบ้างเอาไฟยัดปากจนเลือดไหลเหมือนปากราหูบ้างเอาผ้าพันตัวราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาบ้างพันมือแล้วจุดไฟต่างครบบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงข้อเท้าให้ลุกเดินเหยียบหนังจนล้มลงบ้าง ถลกหนังตั้งแต่คอถึงบั้นเอวทำให้มองดูเหมือนนุ่งผ้าคากรองบ้างสวมปลอกเหล็กที่ข้อศอกและเขา่าแล้วเสียบเล้าทั้งห้าทิศเอาไฟเผาบ้างใช้เบ็ดเกี่ยวหนังเนื้อเอ็นออกมาบ้างเชื้อเนื้อออกเป็นแว่นแว่นเหมือนเหรียญกระสา บ, บ้างเชื้อหนังเนื้อเอ็นออกเหลือไว้แต่กระดู บ, บ้างใช้เหลาแทงช่องหูให้ทะลุถึงกันบ้าง เสียบให้ติดดินแล้วจับเขาหมุนได้รอบบ้างทุบ ก, กระโดกให้แหลกแล้วถลกหนังออกเหลือไว้แต่กองเนื้อเหมือนต่างใบไม้บ้างรดตัวด้วยน้ำมันที่กำลังเดือดพล้านบ้างให้สุนัข ก, กัดกินจนเหลือแต่กระโดกบ้างให้นอนบนแล้วทั้งเป็นบ้างตัดศีรษะออกด้วยดาบบ้างชนเหล่านั้นจึงเข้าถึงความตายบ้างทุกปางตายบ้างแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่า เป็นโทษแห่งกรรมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่จะพึงเห็นได้เองมีกรรมเป็นเหตุ ạt, มีกรรมเป็นต้นเหตุมีกรรมเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั่นแลอีกประการหนึ่งเพราะการรมเป็นเหตุเพราะกรรมเป็นต้นเหตุเพราะการรมเป็นเหตุเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายชนทั้งหลายประพฤติกายยทุจริตวรจรีทุจริตและมโนทุจริต ครั้นประพฤติกายยทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายแม้ข้อ น, นี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกรรมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ในสำปรายพมีกรรมเป็นเหตุมีกรรมเป็นต้นเหตุมีกรรมเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั่นแลภิกษุทั้งหลาย อะไรเล่าเป็นการสลัดออกไปจากการมทั้งหลายคือการกําจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในการมทั้งหลายนี้ชื่อว่าการสลัดออกไปจากการมทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งไม่รู้ชัดคุณแห่งกรรมทั้งหลายว่าเป็นคุณไม่รู้ชัดโทษแห่งกรรมทั้งหลายว่าเป็นโทษและไม่รู้ชัดการสลัดออกไปจากการมทั้งหลายว่าเป็นการสลัดออกไปตามความเป็นจริงอย่างนั้น เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาเหล่านั้นจะรอบรู้กามทั้งหลายเองหรือจากชักชวนผู้อื่นเพ <im itation> ื่อให้รู้อย่างนั้นและผู้ปฏิบัติแล้วก็จะรอบรู้การามทั้งหลายได้ส่วนสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งรู้ชัดคุณแห่งกลามทั้งหลายว่าเป็นคุณรู้ชัดโทษแห่งกลามทั้งหลายว่าเป็นโทษและรู้ชัดการสลัดออกไปจากกามทั้งหลายว่าเป็นการสลัดออกไปตามความเป็นจริงอย่างนั้น เป็นไปได้ที่พวกเขาเหล่านั้นจกรอบรู้การทั้งหลายได้เองหรือจากชักชวนผู้อื่นเพื่อให้รู้อย่างนั้นและผู้ปฏิบัติตามแล้วก็จะรอบรู้การทั้งหลายได้คุณโทษและการสลัดออกไปจากรู ภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นคุณแห่งรูปทั้งหลายคือกริสาสาวพราหม์สา ว, ราสาวหรือขหบดีสาวมีอายุส5บห้าปีหรือ16ปีไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ดำเกินไปไม่ขาวเกินไปแม้ฉันใดในสมัยนั้นหญิงสาวผู้นั้นย่อมเป็นผู้งดงามเปล่งปลั่งอย่างยิ่งฉันนั้นไม่ใช่หรือ ภิกษุทั้งหลายพากันกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการที่สุขสมนัติเกิดขึ้นเพราะอาศัยความงามความเปล่งปลัง่งนี้ชื่อว่าเป็นคุณแห่งรูปทั้งหลายอะไรเล่าเป็นโทษแห่งรูปทั้งหลายคือบุคคลพึงเห็นสาวน้อยคนนั้นในโลกนี้โดยสมัยอื่นว่า มีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีโดยกำเนิดเป็นคนแก่มีส่โครงคดดังกรนเรือนมีหลังงอถือไม้เท้าเดินงกงกเงืนๆนไปกระสับกระส่ายผ่านไวัยไปแล้วฟันหักผมงอกหัวโกรนหัวล้านหนังเหี่ยวมีตัวตกกระเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อ น, นั้นว่าอย่างไรความงดงามความเปล่งปลัง่งแต่ก่อนนั้นหายไปแล้ว โทษก็ปรากฏชัดแล้วมิใช่หรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งรูปทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นสาวน้อยคนนั้นซึ่งมีอาพาธมีทุกข์เจ็บหนักนอนจมปัสสาวะและอุจจาระของตนต้องให้ผู้อื่นพยุงลุกขึ้นต้องให้ผู้อื่นช่วยประคองเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไร ความงดงามความเปล่งปลัง่งแต่ก่อนนั้นหายไปแล้วโทษก็ปรากฏชัดแล้วมิใช่หรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งรูปทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึ่งเห็นสาวน้อยคนนั้นซึ่งเป็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าตายแล้วหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างที่ขึ้นพองสีเขียวน่าเกลียดน้ำเหลืองไหลหน่าเกลียด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 สุนัขกัดกินอยู่บ้างสุนักจิ้งจอกกัดกินอยู่บ้างสัตว์เล็กๆหลายชนิดกัดกินอยู่บ้า ง, เ, ากกางเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งแต่ก่อนนั้นหายไปแล้วโทษก็ปรากฏชัดแล้วมิใช่หรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งรูปทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นสาวน้อยคนนั้นซึ่งเป็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นร่างกระดูกยังมีเนื้อและเลือดมีเส้นเอ็นผูกรัดละถึงเป็นร่างกระดูกไม่มีเนื้อแต่เปื้อนเลือดมีเส้นเอ็นผูกรัดละถึงเป็นร่างกระดูกไม่มีเนื้อและเลือดมีเส้นเอ็นผูกรัดละถึงเป็นร่างกระดูกไม่มีเส้นเอ็นผูกรัดกระจายไปทั่วทุกทิศคือกระดูกมืออยู่ทางหนึ่งกระดูกเท้าอยู่ทางหนึ่งกระดูกแข้งอยู่ทางหนึ่ง กระดูกขาอยู่ทางหนึ่งกระดูกสะเอวอยู่ทางหนึ่งกระดูกสันหลังอยู่ทางหนึ่งกระดูกซี่โครงอยู่ทางหนึ่งกระดูกหน้าอกอยู่ทางหนึ่งกระดูกแขนอยู่ทางหนึ่งกระดูกไหล่อยู่ทางหนึ่งกระดูกคออยู่ทางหนึ่งกระดูกคางอยู่ทางหนึ่งกระดูกฟันอยู่ทางหนึ่งหัวกระโหลกอยู่ทางหนึ่งเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร ความงดงามความเปล่งปลัง่งแต่ก่อนนั้นหายไปแล้วโทษก็ปรากฏชัดแล้วมิใช่หรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งรูปทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลเพิ่งเห็นสาวน้อยคนนั้นซึ่งเป็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเหลือแต่กระดูกสีขาวเปรียบเหมือนสังและถึงเหลือแต่ท่อนกระดูกเป็นกองกองตกค้างมาแรมปี ละถึงเป็นกระดูกผุป่นเป็นผงเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งแต่ก่อนนั้นหายไปแล้วโทษก็ปรากฏชัดแล้วมิใช่หรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งรูปทั้งหลายอะไรเล่าเป็นการสลัดออกไปจากรูปทั้งหลายคือการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในรูปทั้งหลาย นี้ชื่อว่าการสลัดออกไปจากรูปทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งไม่รู้ชัดคุณแห่งรูปทั้งหลายว่าเป็นคุณไม่รู้ชัดโทษแห่งรูปทั้งหลายว่าเป็นโทษและไม่รู้ชัดการสลัดออกไปจากรูปทั้งหลายว่าเป็นการสลัดออกไปตามความเป็นจริงอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาเหล่านั้นจะรอบรู้รูปทั้งหลายได้เองหรือจากชักชวนผู้อื่นเพื่อให้รู้อย่างนั้นและผู้ปฏิบัติตามแล้ว ก็จากรอบรู้รูปทั้งหลายได้ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามพูกใดพูกหนึ่งรู้ชัดคุณแห่งรูปทั้งหลายว่าเป็นคุณรู้ชัดโทษแห่งรูปทั้งหลายว่าเป็นโทษและรู้ชัดการสลัดออกไปจากรูปทั้งหลายว่าเป็นการสลัดออกไปตามความเป็นจริงอย่างนั้นเป็นไปได้ที่พวกเขาเหล่านั้นจากรอบรู้รูปทั้งหลายได้เองหรือจากชักชวนผู้อื่นเพื่อให้รู้อย่างนั้น และผู้ปฏิบัติตามแล้วก็จะรอบรู้รูปทั้งหลายได้